ในในทุกคนดูหลายคนคงเพิ่มาปฏิบัติใหม่ดูจากอะไรดูจากการส่วนมงนเวลานับช่วงส่วนมงนเวลาอ่านต่วนมันก็อาเจะยังไม่อล่องไม่ต้องเป็นองค์มือก็ได้นั่งนั่นสบายๆนะก็ มีสมาธนะิในการฟังนะฟังนะให้มันคล้ายๆได้ได้เป็นหนักการเพื่อเอาไปปฏิบัตินะเหมือนเราเรียนเหมือนเราเรียนหนังสือเวลาเราก็ฟังฟังคนที่สอนนะอธิบายว่าสิ่งที่เรากำลังจะทนะันเนี่ยเราต้องทําอย่างไรนะ ทันต้องมันจะเกิดผลย่างไรอยู่เนี่ยเนี่ยเราก็ต้องเรียนให้มันดูว่าการปฏิบัติทันนะเรามาเรียนเพื่ออะไรพอรู้ไหม <c oughs> เราเป็นชาวพุทธนะเราอยู่กับวัดวาอารามเค <c oughs> สพระสงฆ์อง์เจ้ามาหลายสิบปีนะศาสนาพุทธมันมีมีวัดบ้างมีพระบ้างมีพิธีกรรมบ้าง แต่ที่เป็นแกนจริงๆคือตัวธรรมะนะตัวธรรม ะ, ะพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดสู่ธรรมะก็คือท่านค้นพบนธรรมะซึ่งธรรมะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วะตัวพระธรรมเป็นสิ่งที่ท่านเอามาสนน <c oughs> ับซ้อนก่อจารึกเป็นพระไตรปิฎกแต่จริงธรรมะจริงๆมันไม่ได้มีภาษา เราก็สมมติมาพูดกันสมมุติมาอธิบายกันก็ต้องใส่ภาษาเนาะเวลาเราพูดคุยกันเวลถ้ามันมีแต่อะไรที่มันเป็นปรามัตดเลยนะอย่างต้นมะพร้าวเนะี่ยถ้าเราไม่สมมติว่าอันนี้เรียกว่าต้นมะพร้าวอันนี้ไม่สมมุติก็เรียกว่าต้นโคถ้าเราไม่ได้อยู่ต่อหน้าต้นนั้นนะเราไปพูดที่อื่นคนอื่นก็ไม่เห็น พระพุทธเจ้าเอีก็เหมือนกันนะท่านคือท่านไปค้นพบธรรมะไปพบแล้วธรรมะคือแบบนี้ท่านก็ออกกลับมาเลียกมาพูดให้คนทั้งหลายได้ฟังแต่ถามว่าถ้าคนที่ยังไม่เคยพบเลยจะเข้าใจไหมธรรมะนี่มันยากจะเข้าใจด้วยการเกีงแค่แค่ฟังจิตใจนั่นเหมือนท่านไยค้นพบธรรมะคุณฑ์เกิดขึ้นในจิตใจของท่าน ท่านก็นมาสอนวิธีให้ทำใ้เจินพุทธะขึ้นในใจท่นแต่คนบางคนก็ฟังทำแล้วก็พบ ใ, ในใจตัวเองนะไม่ใช่ว่าต้องไปพบธรรมะที่ใต้ต้นโพเพราะจริงธรรมะจริงๆคือที่ทานสอนให้กลับมามาเห็นมาเห็นธรรมะที่ทกายที่ใจของเราเองนี่แหละธรรมะแต่เยอะขนาดไหน ที่ท่านสอนมาสี่สิบกว่าปีพระใจบิดกนะ80เล่นมนะะเยอะก็จริงนะแต่เยอะเพราะว่าบางทีธรรมะไม่มีสูตรสาเร็จแต่และกลุ่มแต่และสถานที่แต่และพื้นฐานของจิตใจแต่และคนแตกต่างกันพราะพระเจ้าก็เลยเวลาท่านสอนธรรมะก็อาจจะเริ่มต้นทางการที่สุดก็อาจจนะมีเริ่มต้นท่ามการก็อาจาแตกต่างกัน ที่สุดแล้วก็ก็เป็นสิ่งเดียวกันอันนี้คือส่ที่พระพระเจ้าท่านท่านสอนพวกเราเนาะนั้นตัวจริงๆเลยนะวันนี้พวกเรามาเรียนเรียนรักเรียนเรียนวิธีปฏิบัติธรรมนไม่ต้องไปเรียนยุ่งยากภาษาบาลีนะไม่ต้องไปเรียนพระอภิธรรมไม่ต้องไป จดจำพระสูตรหรือว่าพระวินัยแบบพระสงฆ์มากนะเอาแบบเรียนละตัดนะเรียนละตัดไม่ใช่มากง่ายนะนะเรียนละตัดคือเรียนกลับมาแบบมาเห็นนะมาตรงๆที่กายที่ใจเลยนะเพราะว่าธรรมะจริงมันเกิดที่กายที่ใจนะี่นะนะเราก็มเลยมาเรียน ธมมรรมะขึ้นเกิดขึ้นที่การที่ใจแต่ละสําคัญการที่จะเรียนธ ร, รรมะจะเห็นธรรมะตรงนี้ ไ, ได้หลายวิธีปฏิบัติไหนก็จะบอกคล้ายค้ายกันคือต้องมีสติต้องมีสติถ้าไม่มีสตินะ่ะมันมันจะไม่เห็นมันจะรู้เฉยแต่มันไม่เห็นถ่งสำคัญจริงคือมีสติ เราก็้าใจสติมั้ยส ต, ส ต, สติไม่ใช่แบบสติแบบโลกโลกนะั้ที่ภาษาไทยมีสติขับรถนะไม่ประมาทไม่เมาอะไรนะหรือมีสติมไม่ลืมสิ่งของไว้ที่นั่นที่นี่นะมีสติมไม่ทําแก้วน้ําหกไม่ไม่สะดุดลนะ้มอะไรอันนั้นเป็สติแบบโลกโลกบางทีแม้แต่พระอริยเจ้านะั้นท่านก็ลืมสิ่งของได้ ไม่ใช่เพราะเขาขาดสตินะแต่ความจำเสื่อมไปต้องมีนะมันเป็นร่างกายนะแต่บางทีเดินไปอาจจะไม่ไต้องแบบเห็นไปทั่วทั้งหมดอาจจะเจอไปใส่อะไรบ้างก็มีนะแต่สติในทางทำคือมันเกิดอะไรขึ้นก็มันไม่เด็ดทุกขกับสินะ่งนั้นเจออะไรเช่นเอาง่ายนะเราเยอไหมดึงของอาพรไม่เจอ เข้าใจก็เป็นทุกข์ใช่ไห ม, มแต่พระอริยะเจ้าท่านอ่ะดื่มของก็ดื่มนะกำลังหาอยู่ก็ไม่เป็นทุกข์หาไม่เจอก็ไม่เป็นทุกข์คือขณะที่ดื่มดื่มรู้ว่าดื่มแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ขนาที่หาก็ไม่ได้หาด้วยความเป็นทุกข์หาไม่เจอก็เป็นป็นทุก <c ười> ข์มันต่างตรงนี้นะแต่ก็คนทั่วไปเช่นดื่มของพองรู้เลยดื่มของ เป็นพุกละกระวนกระวายตัวขณะที่หาก็คนเครียดนะก็จิตไม่ปกติหาไม่เจ อ, อก็ยิ่งทุกข์หนักมันต่างกันตรงนี้นะนะเวลาหรือร่างตายเราป่วยร่างกายก็ป่วยเหมือนกันทุกคนก็ป่วยนะพระคนป่วยพระพุทธเจ้าก็ป่วยนะมันต่นะนางกันคือถ้าเรามีสตินะเราจะเห็นมันสัตว์แปลว่าเป็นเป็น ร่างกายที่มันที่มันป่วยร่างกายที่มันแก่สุดท้ายก็ร่างกายที่มันจะตายแต่ผุ้ทัชนคนธรรมดามันเห็นว่าร่างกายของเราแก่ร่างกายของเราเจ็บร่างกายของเรามันจะตายแล้วมันจะต่างกันตรงความรู้สึกของเราที่เข้าไปยึดในร่างกายรวมทั้ง อารมณ์ก็ดีความคิดก็ดีนะที่มันเกิดขึ้นนะถ้าผู้ดูชนมันก็จะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เราโกรธตอนนี้เรารักตอนนี้เราชังตอนนี้เราเกลียดคนนั้นคนนี้่ะตอนนี้เราคิดไม่ดีตอนนี้เราคิดดีตอนนี้เรามีความสุขตอนนี้เรามีความทุกข์มันจะมีความรู้สึกเป็นเราแต่ถ้าเรามีสตินะเราจะเห็นว่าตอนนี้จิต จิตเขาโกรธตอนนี้จิตเขาเปลี่ยดตอนนี้จิตเขารักตอนนี้จิตเขาสุขตอนนี้จิตเขาทุกข์มันจะเห็นเป็นเป็นร้านกายก็เป็นแบบนี้มันจะเห็นเป็นจิตใจ ก, ก็ เ, เป็นแบบนี้นนนบบนนะการเห็นด้วยสตินะมันจะมีปัญญาเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นเพียงแค่รูป ก, กับนามคือเป็นอาการของรูปอาการของนามถ้าเห็นแบบนี้นะ ความที่ไปยึดว่าลูกของเรานามของเราหรืออาการนั้นมาเป็นของเรานะมันจะมันจะไม่มีมันเบาตรงนี้นะ <c oughs> มันเบาตรงไม่ไม่เป็นถือไม่เป็นแบกไวนะ้แต่มันก็ใช้นะนะมีชีวิตอยู่ก็ต้องใช้ลูกใช้นามไม่ใช่ว่าไม่ใช้แต่เพียงว่าใช้แบบไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะ นะสติดสำคัญเลยนะทําอย่างไรเราถึงจะมีสตินะถ้าไม่มีสตินะเราจะอ่านพระสูตรขนาดไหนฟังธรรมขนาดไหนมันก็ยังเห็นเป็นเราอยู่นะเป็นเราเราคิดดีเราคิดไม่ดีนะอะไรนั้นะเราแก่เราเจ็บเราตายยากมากนั้นติสําคัญเลยนะฝึกให้มีสติถ้าฝึกให้มีสติแล้วนะ จิตมันจะออกมาเป็นผู้ดูมันจะมีจิตที่เป็นผู้ดูดูอะไรอย่างวิธีที่เราจะแนะนำเรียกว่าเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเบื้องต้นเราจะฝึกให้มีสติเห็นเห็นกายเคลื่อนไหวนะกายเรานะี่ยที่จริงมันเคลื่อนไหวตลอดเวลานะแต่อันนี้ก็พูดตรงนีว้ว่ากายเรานะี่ยแต่จริงเวลาปฏิบัติจริงๆนะคือเห็น กายเขาเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวนะอะไรเป็นคนเห็นจิตใจเนาะเป็นผู้เห็นมันเห็นแต่มันไม่ใช่เห็นแบบตามองเห็นขนานั้นหรอกนะมันเห็นแบบรู้สึกนะรู้สึกนะเราเคลื่อนไหวนะมันมีความรู้สึกรู้สึกเวลามันเคลื่อนเวลามันหยุด รู้สึกเวลามันกรนะทบแบบนีมันมีความรู้สึกไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยเขาเรียกว่าการเห็นนะมันเป็นตาในเนานะลองอะไก็ได้นะงดเราเอามือไว้ข้างหลังนะโยงลองมือไว้ข้างหลังมือไหนก็ได้มือกำหรือมือแบ่มือที่อยู่ข้างหลังกำหรือแบยโยงแบ รู้ไหมรู้ไหมมือไว้ข้างหลังที่นิยอฟังเียๆมันมันอาจจะคิดเอานะนะแบบนี้มือกรรมหรือแแบรู้ไหมตอบว่าอะไรสิตอบพยักหน้าเนี่ยมาไม่รู้นะะมาไม่เห็นกรรมหรือ่าแบรใครเป็นคนรู้ว่ามีแแบรตัวเรา แล้วตัวที่เอ๊ว่าคําว่าตัวเราที่รู้นี่คืออะไรจิตใจจิตใจใช่ไหมจิตใจที่มันมีความรู้สึกอยู่กับร่างกายใช่ไหมมันไม่ใช่ตาเห็นนะใช่ไหมเวลาราพูด น, นะกรรมรู้สึกไหมกรรมก็รู้สึกใช่ไหมแบรก็รู้สึกไหมอืมเนะี่ยเราใช้อันนี้แหละที่บอกว่าบางทีเราเรียกว่ารู้บ้างบางทีก็เรียกว่าเห็นรู้สึกเนาะ ไม่ได้เช่ใส่ตามองดูนะแต่เราจะรู้สึกแบบนะีน้เมื่อเราทำอะไรเราก็จะรู้สึกเออมันอยู่แบบนี้แหละอันนี้คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวแบบนี้แหละนะที่เบื้องต้นที่เราว่ารู้สึกร่างกายนะร่างกายเขาทำอะไรเอารู้สึกตรงนี้นะมันเป็นการรู้สึกจริงๆนะไม่ใช่คิดเอาใช่ไหม ใช้มือบนมืออย่างนี้นะแล้วก็กินตนาฬการล้วมืออยู่ข้างหลังใช่ไหมไม่ใช่ไหมมือแบะอยู่ข้างหลังไม่ใช่ใช่ไหมมื อ, ม, อมือวางไว้อยนี้อันนี้ของจีนอยู่แบบนี้ใช่ไหม <S <S แต่ถ้าไปคิดว่ามือชั้นําลังแบะอยู่ข้างหลังอันนี้เรียกว่า <oo> <S <S 2> <S 2> คิดเอานะหรือไปย้อน <oo> คิดเมื่อนาทีที่แล้วที่มือมนแบะอยู่ข้างหลังนั่นคือบิดคิดย้อนคิดเนาะ แต่สติเนี่ยจะเป็นการรู้ที่ปัจจุบันเลยอย่างตอนเนี้โยมมือประสานกันอยู่ก็ให้รู้สึกนะมือวางไว้ที่หัวเข่าก็รู้สึกถ้าใครท้มันควรู้สึกตัวแต่ละคนก็เลยอาการไม่เหมือนกันนะแต่สภ า, าวะที่รู้มันจะเหมือนกันถ้าเรารู้ที่ปัจจุบันนะอืเรารู้ว่ากําลังนั่งจะนั่งกระตืน หรือนั่งบนก็อี้รู้สึกตัวว่ากาลังนั่งอยู่เนะี่ยนี่คือความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวว่ามือวางไว้ที่ตรงไหนเนะี่ยอยู่ในท่าไหนอนี่คือความรู้สึกตัวขยับตัวดิขยับรู้สึกไหมเ <c oughs> นี่ยรู้สึกตัวนะนั้นวิธีปฏิบัติธรรมบางทีไม่ต้องนั่งนิ่งๆแข็งๆ ทำตัวเหมือนแข็งๆก็ได้แต่วิธบีบางวิธีเขาก็ทําแบบนั้นก็มีแต่วิธีแบบสายของพ่อเทียนเราไม่ต้องนั่งนิ่งๆเฉยๆก็ได้เราขยับตัวเรารู้สึกเนี่ยขยับแล้วก็รู้สึกอาศัยการขยับเราก็รู้สึกใช่ไหมโยมจะไปทำอะไรก็ได้ที่มีการขยับตัวแล้วก็ให้เราคอย ให้เรารู้สึกตัวในขณะที่กระทำตรงนั้นบ่อยบอันนี้คือการปฏิบัติธรรมในการมีสติรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกแต่ถ้าในถ้าปฏิบัติบางทีอาจจะมีคล้ายคลายมีทําให้มันรู้สึกชัดขึ้นนิดนึงนะเดี๋ยวคนใหม่เดี๋ยวมาจะสอนนะแต่นี้อธิบายเป็นภาพรวมก่อนอย่างเวลา สอนยกมือให้มีเสถียรของเทมบอกเคลื er ่อนไหวรู้สึกตอนนี้มือหยุดก็รู้สึกยกรู้สึกน่ะหยุดก็รู้สึกวางรู้สึกหยุดก็รู้สึกต่อไปมันจะเป็นมือซ้ายนะสลับกันเนะแต่ประมาณว่าเคลื่อนรู้สึกหยุดก็รู้สึกเคลื่อนรู้หยุดรู้อะ้รนะมันจะเป็นท้า มันจะทำให้เราจับตัวสติได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรมันเลื่อนแล้ก็หยุดนิดหนึ่งให้มันรู้เป็นครั้งนะแล้วก็รู้ใหม่รู้ใหม่บางทีพอพูดว่าปัจจุบันเนาะเช่นมือมันแบนแลยเนี่ยมันแบนนานมันแบนนานใช่ปะ่ะหรือนั่งนิ่งๆเฉยๆนะ่ะมันก็รู้ว่านั่งแต่พอถ้าอียบทไหนมัน มันนานเกินไปเราจะไปดูแบบเราจะไปแค่แช่ไว้ต่อพองตัวดูกันอารมณ์ให้มันแบบนิ่งไว้เมบางทีมันจะเผลอเข้าไปอยู่กับอิริยบาบถมากเกินไปแต่วิธีการปฏิบัติที่เน้นแบบเจอสติมันจะเป็นแบบรู้เป็นแบบเป็นจุดๆนะขนาดขนาดเหมือนเตี้ยววินาทีอยู่ติ๊กติ๊กติ๊ก คือบางคนอย่างหลวงพ่อบงเขียนเขาบอกว่าถ้ามันรู้ชำนาญ น, นะก็ประมาณว่าวินาทีละครั้งนะประมาณรู้รู้รู้รู้รู้รู้แรงนะมันประมาณวินาทีละครั้งในการรู้แต่ประมาณนะเนะี่ยถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆนาทีหนึ่งเราก็รู้ประมาณหกสิบครั้ง ชั่วโมงหนึ่งเท่าไรสามพันหกร้อยครั้งใช่ไหมนี่คือชั่วโมงหนึ่งเราจะมีตัวรู้เกิดขึ้นสามพันหก้อยครั้งถ้าเราทําทั้งวันนะก็อาจจะเป็นหลายหมื่นครั้งใช่ไหมถ้าเรารู้สึกตัวต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่คือพอเราทำแบบในรูปแบบมันจะมีรู้ที่มันชัดกีละครั้งกีละครั้งแล้วทําไมเราต้องฝึนแบบนี้คือจิต ส่วนใหญ่ติดที่ไม่ค่อยรู้สึกอะ่ะมันจะส่วนใหญ่มันจะออกไปข้างนอกคือมันจะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะไม่ค่อยชอบดูตัวเองมันจะไปชอบดูคนอื่นหเห็นไหมสังเกตมหมเแลาเราอยู่กับผู้คนนะเราจะไปสนใจดูคนอื่นไปฟังคนอื่นหรือเมบางทีเราบอกว่าเราอยู่คนเดียวนะแต่คนเดียวของเราอะไรคือข้อความในโทรศัพท์ <c oughs> หรือ ภาพที่เราดูในโทรศัพท์อะไรนะั้นคือเราจิตเราไปอยู่กับสิ่งอื่นอนะ่ะไม่ค่อยได้กลับมาดูตัวเองอันนี้คือหรือไม่เวลาเร า, ารอ่านหนังสือก็เหมือนกันนะทําไมเร า, ารอ่านหนังสือนิยายอ่านหนังสืออะไรก็ลแล้วแต่ที่เราชอบมันเหมือนเราไปอยู่ในโลกตรงนั้นแต่เราลืมดูตัวเองว่าจิตไปอยู่กับโลกเรลงนั้นมันก็เลยเพินไปทั้งวันสังเกตไหมอะไรที่เราทําแล้วมันชอบอนะ่ะมันจะเร็วมากเพราะว่า เราไปอยู่กับมันแล้วก็เผลอไปกับมันคราวนี้ฝึกให้รู้ทานแบบนี้คือเวลาจิตมันออกไปคิดเรื่องอื่นไปปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่เนาะเราไม่ได้ห้ามมันหรอกแต่เราฝึกว่าเออไม่ไปคิดต่อกลับมารู้สึกตัวที่ตรงนี้นั่นเราทําอะไรนะเราไม่ห้ามความคิดแต่เราจะพอรู้ตัวว่าเผลอไปคิดแล้ว เราตัดมารู้สึกที่ร่างกายนะมันจะไปทำให้เรารู้ทันว่าจิตเมื่อกี้อ่ะมันเผลอออกไปคิดอันนี้ก็เป็นสติอย่างหนึ่งนะที่เรารู้ทันว่าเมื่อกี้เผลอออกไปคิดนี่เป็นสติที่รู้ทันว่าเมื่อกี้เผลอออกไปพอเผลอไปแล้วไม่ต้องไปเราไม่ต้องใช้สมองไปวิเคราะห์ไปวิจารณ์แยกแยะว่าทำไมต้องคิดด้วย ทำไมมันคิดไม่ดีอย่างนี้นะทำไมมันต้องเกิดอะไรแบบนี้วิธีฝึกสติไม่ต้องใช้สมองนะคือเราไม่ต้องไปเอาเหตุผลกับความคิดอะคล้ายๆคิดก็ช่างมันไต่คิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างมีสาระ ก, ก็ช่างบางทีก็ไม่มีสาระ ก, ก็เยอะนะไม่ไม่สําคัญแต่เราเห็นว่าแค่มันเผลอไปคิดนะแค่เผลอไปคิดเนะี่ยเรียกว่ามีสติละ แต่เวลาเราปฏิบัติทำเราก็อย่าไปไปคิดต่อแค่นั้นะนะเราก็กาัมารู้สึกตัวหลวงพ่อเขาเขียนได้เป็นอาจารย์อาตมานเป็นครูอาตมาทนะ่านบอกว่าไอ้ความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดอะที่มันไปคิดนั่นคิดนี่น่นนะหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นตัวดักคิดรักรอรินนะรักอดักคิดนะแอบคิดขโมยคิดไปเรื่อยนะ แล้วเราดูแบบดีนูแบบนีดีๆนะมันจะเห็นว่าแต่ละวันมันจะเผลอไปคิดบ่อยมากอืมไม่เป็นไรเราดูมันว่ามันคิดของมันเองไม่อยากเด็กคิดมันคิดของมันเองช่าหัวมันหน้าที่เราคือฝึกสร้างสตินฝึกสร้างสติรู้กายที่เคลื่อนไหวแล้วก็ฝึกสร้างสติในการรู้เท่าทันใจที่มันเผลอไปคิดทำสองอย่าง แรกๆคนใหม่ๆอาจจะเริ่มต้นที่การรู้กายที่เคลื่อนไหวก็จะเพิ่มเรียบยุ่งกับความคิดแต่คนเก่เาก็กทําได้นะรู้กายเคลื่อนไหวไปด้วยสลับกับการรู้ทันใจที่มันเกิดไปคิดด้วยนี่นคือมันเป็ตัวสตินะสติ ค, คือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ปัจจุบันปัจจุบันนี้นะเรามาโฟกัสปัจจุบันไม่ใช่ว่า เรากําลังโยมเหตุตัตมานเนี่ยก็เป็นปัจจุบันนะแต่ปัจจุบันในที่นี้เราเน้นว่าเห็นเห็นกายเห็นใจตัวเองนะะเช่นโยมองตามาเนี่ยโยมอาจเห็นรูปตัมมาเนี่ยมันเป็นปัจจุบันจริงนะแต่เรารู้สึกตัวไหมว่ากําลังมองมันต่างกันนะกับการเห็นรูปที่อยู่ต่อนหน้ากับรู้สึกตัวว่ากําลังมองอะไรทุกอย่าง เรื่องการได้ยินเสียงที่ได้มาพูดกับการรู้สึกคลัวว่ากำลังฟังอยู่ไหมเรือวิ่งผ่านได้ยินใช่ไหมใจมันไหลไปกับเรือไหมหรือนะอยู่ตรงนี้ถ้าเราเห็นนะบางทีมันจะเห็นว่ามอเสือมันไหลไปใจเราก็ไหลไปด้วยเราชอบอะไรอะมันจะไหลกับสิ่งนั้นใช่มองคน ไม่ใช่เด็กๆเนาะแต่ถ้าเด็กๆบางคนเสียงไอสติมวอแบบนี้นาะเจอนะเคยไหมตอนวัยรุ่นคนนี้สักหน่อยเนี่ยมีไอสติมเกิขึ้นมาปุ๊บจริงๆๆเลยใจเราไหลไปละอยากจะไปคื้อนี่คือกระเพราที่มันไหลไปถ้าเราเห็นนะหรือสังเกตไหมเสียงเสียงบางอย่างที่เราชอบหรือเสียงบางอย่างที่เราไม่ชอบเน่ะจิตมันจะไหลไป อันนี้คือเรารู้สึกตัวคือเราเห็นว่าตาเราเปิดจ้องมอ ง, มองคนชอบดอกไม้เดินไปเจอดอกไม้ตาเปิดจ้องที่ดอกไม้ตัวกาําลังเดินอยู่ไม่รู้ตัวหมู ไ, ได้ยินเสียงนกกร้องบางทีนกตัวนี้สงสนก อ, อะไรเราก็จะอยู่ในความคิดว่าอันนี้มันเสียงนก อ, งอะไรอันเนี้นี่คือเราลืมตัว ภาษาคำว่าดึงตัวหรือขาดสติไม่ใช่พระชั่วอะไรไปทําไม่ดีขนาด น, นั้นนะแค่นั้นเนี่ได้ยินเสียนกร้อมแล้วเราก็ไปคิดว่านกอะไรทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องมาทําทําอะไรกับนกนนะแต่คือจิตมันก็มกักไปสงสัยนั่นนี่การรู้สึกตัวคือเรามีสติรู้ทันว่าเออมันสงสัย บางทีไม่ต้องไปอะไรมากว่าไม่ต้องไปสงสัยต่อว่ามันนกอะไรนะั่นเป็นการขยายอีกทีหนึ่งนะแต่จริงรู้ทันว่าจิตมันกำลังสงสัยนะคือเห็นดอกไม้รู้ทันจิตว่ามันชอบดอกไม้หรือแค่รู้ว่าจิตมันชอบนี่ยหละนะรนะหรือได้ยินเสียงมาเหา่าหรือบงที่เราอยู่เนี่ยเสียงเบือเสียงดังนะจะเห็นจิตที่มันปุนแต่งนะ ทนไหนขี่แรงๆเนี่ยก็ดีนะเป็นอาจารย์สอนทำมากดีนะเห็นจิตที่มันไม่พอใจนะหรือท่านไหนขี่เบาๆนะบางทีเห็นไหมจิตก็จะชมเขามีมารยาทการภาวนาการเป็นตสตินะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะให้ค่าเท่ากันให้ค่าเท่ากันคือเป็นค่าที่เป็นสิ่งที่ ถูกรู้นะถูกรู้มันจะเกิดอะไรก็แล้วแต่แค่เป็นสิ่งที่ให้เราให้ได้รับรู้เฉยเหมือนกับร่างกายยืนเดินนั่งนอนโู้เหยียดเคลื่อนไหวกินดื่มขับถ่ายเราจะเรียกชื่อต่างกันหรือกิริยาการกระทําแตกต่างกันแต่สิ่งที่มีค่าเท่ากันคืออะไรการรู้แค่รู้มัน มันอยู่ในค่าไหนล้วก็แค่รู้เมนะืนนไม่ใช่ว่ายืนดีกว่านั่ง น, นอนดีกว่าเดินนะไม่ไม่ได้มีว่าอะไรดีกว่ากันนะรวมทั้งบางทีในใจอาจจะวนนะปวดเมื่อยก็เหมือนกันนะก็ไม่ได้แย่กว่าปกติคือมันเป็นแบบไหนเราก็รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่ถ้าจิตที่มันมีมีความลาเอียง น้ำเยเพราะไม่ชอบนะเช่นความมันปวดเมื่อยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่รู้สึกว่าอยากให้มันหายไปเร็วๆอันนี้เพราะใจมันไม่เป็นการหรือบางทีเราเคยเรียกว่าใจไม่กปกตินะไม่กปกติคือวามมันปวดเมื่อยไม่ชอบเลยอยากให้มันหายเนี่ยคือความอยากให้มันหายเนี่เขาเรียกว่าตัณหา ตันหานะอยากให้มันหายไม่ชอบไม่ชอบคืออะไรตะกูลโทสะ <c oughs> แม้ความปวดเมื่อยเป็นธรรมชาตินะแต่ถ้าเรามีสติเราก็รู้สึกว่ามันปวดเมื่อยไม่ใช่ ร, รู้สึกว่ามันไม่ปวดเมื่อยไม่ใช่นะก็ะรู้สึกว่ามันปวดเมื่อยแต่ไม่ได้มีความรู้สึกไม่ชอบเข้าไปในความรู้สึกนะั้นไม่ได้มีความอยากบ้าอยากจะให้มันหายหรือไม่หาย เขาแค่รู้มันเฉยๆความง่วงนอนก็เหมือนกันอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกา ย, ยาที่มาบอกว่าให้ค่าเท่ากันให้ค่าเท่ากันคือเป็นสิ่งที่ถูกรูลองดูนะยืนเดินนั่งนอนคููเหยียดเคลื่อนไหวปวดเมื่อยอะไรต่างๆกดะแท่สติรู้เขาอย่างที่เขาเป็น อันนี้คียวัตสําคัญนะรู้ร่างกายอย่างที่ร่างกายเขาเป็นรู้ลงที่ปัจจุบันรู้แบบนีน้รวมทั้งอารมณ์หรือความคิดอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่จะดีหรือไมดออออ่ดีหรือเป็นกลางๆจะชอบจะชังหรือเฉยจะสุขหรือทุกข์หรือเป็นกลางๆเราเลือกไม่ได้แต่โยมมีใครรู้ไหมว่า อีกนาะทีข้างหน้าจะคิดอะไรรู้ไหมไม่รู้นะเมื่อเราเลือกไม่ได้มันก็คืออะไรเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้ใช่ไหมเมื่อบังคับไม่ได้แล้วเราจะไปตุ้มกับมันทําไมใช่ไหมเราปฏิบัติะเราไมไ่ปฏิบัติเพื่อให้มันดีไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มันสงบไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ ม, มีความสุขนะมาปฏิบัติทําไมปฏิบัติเพื่อให้ ดูเขาอย่างที่เขาเป็นเราจะเห็นว่าตั้งแต่ละวันนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงให้เห็นคล้ายๆกับดูโทรทัศน์เรียมถ้าโตรัดน์ท่องในยีบสี่ชั่วโมงนะมันจิตใจเรายี่บสีชั่วโมงเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีก็เหมือน บางทีก็คล้ายๆแบบนั้นนะบางทีโฆษณาสนาก็ซ้าๆเงี้ยแหละก็วนไปที่ซ้ำเรื่องเดิมแต่มันเป็นคนละเวลามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจิตอารมณ์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมาแสดงให้เราเห็นแล้วเราก็แค่ดูเขาเนี่ยที่เขาเป็นนะแต่บางทีไม่ได้เห็นตลอดยี่สิบหรือมัลตอส่็นใหความคิดหรืออารมณ์เราจะเห็นตอนที่มันมันชัดเจนมันแรงหรือว่ามัน มันมีสิ่ที่ปกติมากๆะเสร็จต่างๆเฉยมันจะไม่คยเห็นมันจะเห็นตอนเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบนะหรือทุกข์มากๆหรือสุขมากๆมันจะเห็นใหม่ๆมันจะเห็นตอนที่อารมณ์มันมันแดงหน่อยนะมันยังแรงอ่ะแต่ถ้าเรามีสติเรื่อยๆนะสติมันจะเร็วขึ้นเราจะเห็นตั้งแต่มันมันแค่ไหวตัวจิตมันไหวไหวเปอะไร เมื่อฟังเทกันมานะตรถูกใจมันก็อาจจะมีความรู้สึกเราก็เห็ยนนะใจมันรู้สึกชอบสมมติสงสัยตู้อะไรก็ไม่รู้อาจจะมีความรู้สึกไม่พอใจนิดนึงก็ไม่ผิดนะก็รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละไม่ได้ผิดนะนั้นเจริญสติจริ ง, รงๆเนะี่ยอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเนีนะ่ยเราไม่ผิดตรงนั้นดูมัน แล้วทุกอารมณ์ทุกสภาวะทุกอาการเขาจะแส ด, แดงความจริงเหมือนกันคือเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีใครสุขตลอดทั้งวันไหมมีใครคุบทั้งวันไหมมีง่วงทั้งวันไหมมีคิดเรื่องเดียวทั้งวันมนยคือความจริงที่เขาแสดงให้เราเห็นนะเขาเกิดขึ้นมา แม้แต่เรื่องเดียวกันนะมันก็คือการเกิดที่มันต่อเนื่องกันนะเรื่องเดียวกันนะเช่นตามองเห็นรูปข้อพยายามหนึง่งอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขนะึ้นคือการการกระทบกันของของรูปแล้วก็ตาเกิดความรู้สึกชอบใจขึ้นมาอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดความสึกชอบใจ พอชอบใจแล้วก็เกิดความคิดที่อยากจะมองมานานๆ น, น, นะนะอันนี้คือมันเป็นเหมือนแม้แต่เรื่องเดียวกันนะมันก็จะเกิดผ่อนไปเรื่อยๆมันเป็นการปรุแงแต่งนะแต่จริงมันก็แสดงการเกิดดับให้เราเห็นว่ามันเห็นปุ๊บมันก็ดับไปนะคราวนี้มันไปคิดออกคิดที่อยากจะดูมันนานๆมันมันจะเกิดแบบนั้นบ่อย ๆ, ๆอันนี้ถ้าตัตีเก่า ดีมากๆจะเห็นว่าโอ้ชีวิตชีวิตจริงๆเนี่ยเราอยู่กับเรื่องแบบนี้เรื่องความคิดนึกปรุงแต่งที่มันหลอกเราเยอะมากเลยถ้าใครเคยสวจบทหนึง่งเป็นบทที่เรียกว่าปฐม้ัทพาติปฐมหรือปฐมะแต่ว่าเป็นภาติตคัาแรกของพระพุทธเจ้า ท่นไม่ได้ตัดกับคนอื่นนะท่านตัดกับตัวเองพอท่านเข้าใจธรรมะนะท่านตัดกับตัวเองว่าโอ้ในช่างผู้ปลูกเรือนนะเรารู้จักแจ้าเสียแล้วต่อไปก็จะทําเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปคําว่าปลูกเรือนคือเรือนคือคําภาษาพากยเรียกว่าสร้างภพนะสร้างภบตั้งชาติขึ้นในใจภนะพคือ สภาวะเกิดการเกิดขึ้มนมางอย่างพกนี้คืออะไรพพคือพะไรภพนรกเวลาบรรทุ ก, กพพมันเหมือนภพนรกภพสวรรค์ภพอะไรมันคือการเกิดขึ้มนมันเห็นว่าเนี่ยชั้นที่ปลูกเรือนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพอเรารู้ทันตัวนี้แล้วต่อไปเราจะไม่เิดสร้างพกห้เราอีกต่อไปท่านทักตัวเนี้ย ตัวที่มันสงนังขารความคินที้มนแต่งมันอยู่ข้าในมันเห็นนั่นแหละต่อไปทำไม่ได้ละไอ้ที่เคยตร้างมาก็ลื้อทิ้งหมดแล้วจะตร้างใหม่อีกก็ไม่ได้ละมันก็เลยเป็นสภาวะที่เป็นปกติท่านจะเรียกวานิทานอันนี้คือคือธรรมะนะที่อืมถ้าเราปฏิบัติเนาะมันก็จะค่อยค่อยเข้าใจแต่ฟังครั้งแรกจะให้เข้าใจเลยไม่เข้าใจกับเดยว อัตอมา ก, ก็ฟังยังอยู่วัดป่าสุก โ, โตนะมาก็อยู่มาสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วนะฟังตั้งแต่ไม่เคยแค่จะไม่เคยดยินคำว่าสติเพราะว่าเราเราปฏิบัติธรรมที่อื่นแล้วก็ไปนั่งสมาธิมานั่งสมาธิตั้งแต่เด็กดอ่ะพุทโธอ่าก็อยากจะทำเองนะหรือตอนเป็นนักศึกษาก็ไปเรียนดูลมอานานังนสติ มีคำว่าอนามันัติก็จริงนะแต่ทำจริจริงเราไม่ไม่รู้จักสติกันหรอกเราทำเราคิดว่านั่งให้มันเป็นสมาธินั่งให้มันสงบนั่งให้มันนิ่งนิ่งแต่พอมาอยู่กับที่วัดปากสุกระโตเป็นอย่างเดนเน้นคาว่าสติตั้งแต่ไม่รู้คําว่าสติคืออะไรนะฟังไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะอะแล้วมันก็จะค่อยค่อยเข้าใจองนะไม่ ค่นยๆเข้าใจไม่ได้เข้าใจแบบทีเดียวทั้งหมดหรบแต่สิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้มันก็มีอยู่ในในตัวเรานี่แหละนะเราจะค่อยๆเห็นเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนนะเข้าใจแล้วมันได้คําตอบด้วยตัวของเราเองนะไม่ต้องให้ใครมารับรองเรานะเพราะเราจะรู้ว่าอะไรเราทําได้แล้วอะไรเราอยากทำไม่ได้นะเราเดินในสุขขั้นไหนที่จริงก็ไม่ได้เียบเทียบนะ เรปฏิบัติทำบางทีเราอยากไปคิดเหมือนเหมือนปหนึ่งปสองปสามปสี่ประตภคมัธยมอะไรมากนะบางทีใหม่ๆพอไปทำแล้วแบบเราอยากจะเทียบว่าเรารู้เราอยู่ขั้นไหนแนละ้วบางทีเครียดเหมือ <c oughs> นคนอ่านหนังสือมายเยอะฟังมายเยอะบางทีฟัง เ, เ, เริ่มแรกทําแบบนี้ต่อไปมันจะได้อันนี้ต่อไปมันจะเกิดตรงนี้นะ ทำใหม่ๆเ็นมาก็อยากได้นะ ท, ทําด้วยความอยากได้มันก็เลยเครียด <c oughs> เครียดเลยเพราแค่ว่าทําเพื่อตั้งเป้าจะเอาไอ้ตั้อยากทํา <c oughs> ทแล้วก็จะคอยจําเดือนดูว่าเราได้ข่านไหนแล้ว <c oughs> มันจะมันจะรู้สึกแบบนั้นนะอืมแต่เราทําถ้าจะดีนะไม่ต้องคาดหวังหรอกอามาก็ฟู้นสิงที่เคยทําผิดก็ไม่อยากว่าเราทําผิดซ้ำทําผิดต้อนัเนืม <c oughs> แต่บางทีบอกขนาดนี้นะอย่ามาองก็เคยถูกพ้อบอกเหมืนอนกันว้ทั้งประเทศท่บอกอย่าทําแบบเพื่อจะเอาอะไรนะอย่าทำยืดความอยากแต่พอพอมันตั้งใจปฏิบัติมากๆนะมันก็เกิดไปอยากแหละแต่มันก็อยากเรารู้สึกว่ามันทุกข์นะมันถึงจะคลายคือตอนฟังว่าอย่าทำยืดความอยากมันเข้าใจไว้สมองแต่พอมันอยาก มากๆแล้วมันลุกมากมันเข้าใจได้ใจคราวนี้มันมันไม่ลืมนะเข้าใจได้สมองเนี่ยตอนที่ฟังเข้าใจตอนที่พูดพูดได้แต่ตอนทำอ่ะมันลืม <c oughs> นั้นปฏิบัติทำ ม, มันมันจะทําให้เราเหมือนจภํภายในใจแล้วจําในใจเนี่ยมันจะไม่ลืมไม่เหมือนเราอ่านหนังสือแล้วมนเราเคยอ่านอะไรหลายอย่างเนาะในโลกเนะี <c> ่ย <oughs> อ่านแล้วบางทีเราก็คิดไม่ได้หรอกว่ามันจะต้องอะไรบ้างนะแต่ภาวนาจริงมันจะเป็นอัตโนมัติมันจะเปลี่ยนมันจะทำของมันเองถ้าเราทำจงงนชำนาญเนาะก็กูกให้ฟังก่อนในเบื้องต้นนะเป็นการเทศปูพื้น <c oughs> อาจจะยากเกินไปสำหรับบางคนแต่ไม่ยากเกินไปหรอกนะค่อยๆปฏิบัติไป ทำเท่าที่เราทำได้อ่าไปคิดว่าจะต้องทำให้ได้เข้าเพื่อนนะหรือทำให้รู้ภายในสองสามวันนี้นะเราคินแต่ว่าให้โอกาสตัวเองนะสองสามวันนะี้ให้ตัวอานตัวเองให้เต็มที่ในการสร้างสติในการกลับมารู้จักตัวของเราเองให้ดีดนะที่สุดนะทำให้มันเต็มที่จะได้อะไรชั่งของมันนะทำเต็มที่่นะ อย่างน้อยก็ได้ทำํำนะอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้วิธีตรงนี้ละอย่างน้อยเราอยู่ตรงนี้นะเราไม่ไปทําความชั่วอะไรนะเราไม่ได้ทำความชั่วนะเราได้ปฏิบัติทำซึ่งพระเจ้าล็อกเป็นบุญที่สูงมากนะแล้วเราก็ได้เห็นอะไรบางอย่างแม้ยังไม่เข้าใจแต่ก็พอได้ทําอะไรใหม่ๆที่ในชีวิตนี้ยังไม่เคยทา ก็ปากไหลเนะ